เทศอบรมพระวันที่23พฤษภาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ปลูกใจดีมากเชียวเทศกายวิเวกจิตวิเวกอุปทิวเวกความหมายเป็นกิเลสก็มีเป็นมรรคก็มีเช่น มุมาณะต่อสู้กิเลสเป็นต้นจงระวังอย่าให้มีงานอื่นๆมายุ่งในวงความเพียรพระองค์จะเอาหมอนมัดติดคอให้สัตว์โลกเพื่อความสะดวกถ้าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปไม่ได้จึงไม่ทรงสอนถ้าใจฟุ้งซ่านมากแสดงว่าขณะนั้นกิเลสกำลังท้าทายมากเพลงของกิเลสนี้ไพเราะเพราะพลิ้งมาก ทำให้สัตว์โลกเคลิมไปตามได้ทุกเพลงไปไม่มีการเบื่อนายอิ่มพอเลยเทศถึงหน้าบีเล็กน้อยแล้วพูดธรรมปริ ย, ยทั้งหน้าเอและหน้าบีเทศถึงที่สุดอย่างละเอียดละออมมากพูดเรื่องการ์ตูนตลกและเรื่องไปหาอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นสวดมนเราไปแอบฟังแล้วก็หยุด กันเทศหน้าเอเทศดีมากตั้งแต่ต้นจนจบเทศปลุกใจแทบทั้งสิน้นอัดแจกใครก็ได้เพราะดีมากกันนี้สำคัญมากความมุ่งหมายมาเราก็ทราบแล้วว่าวัดป่าในการบำเพ็ญทางมพิตารภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้น การดำเนินทางด้านกิตตภรนาต้องอาศัยกายยิ้วเยเป็นอุปกรณ์แก่กิตติวิเศษความสนัดกายไม่ผุรั้นวุ่นวายด้วยหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอบ่อยๆกิตติวิเศษก็กายได้รับความสะดวก ในการบำเพ็ญแล้วจิตก็เป็นไปพวกความสงบสมัดเมื่อจิตตั้เงเพรศแล้วเป็นอุปกรณ์ไปถึงอุปติพิเวสความนักจากพิเลเป็นบาดฐานเหมรรกันลกันตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่าน ก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างใดถ้าเราดูกุดตัวออกจากช่องรอยแห่งการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดูดีกิดตัวออกจากผลที่จะพึงได้อย่างท่านมันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบาเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหนัวหน้าชักจูงดึงลากไถูถยไปด้วยความอยากใช่ไหมน่ความอยา ก, ายายากที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมร ยิงอยากพ้นทุกเป็นมกักเหนมุมานะักานะสำหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันกับกิบเลสหรือจะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสกว่าว่ากันไปพ่อแม่เราเคยมีเหมือนกัน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 เรความมุ่งมั่นหรือความมุ่งมานะจึงเป็นสิ่งสําคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้งสี่ไปจนได้เราพูดแย่เป็นแขนงแนงไปทุเฉยลงท้ายก็อิทธิบาททั้งสี่ฉันพระมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรอืพอใจกับมรรคผลนิพพานความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนะั้น อย่างไหนถ้าไมไปทิฏยะจะไปไหนซุ่งความภาคเลี่ยรมันก็ต้องเป็นไปต่างกันกิตตะถ้านเอาใจสักไฟก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปพบความสมหวังนั่นปัญญาคือความรอบครอบสำหรับตัวการประอกอบความภาคเพยียนทั้งภายนอกภายนะ ที่บาททั้งสิก็รวมลงที่นี้ปฏิบัติจึงต้องเล่งทางดําเนินที่พระพุทธเจ้าภาษาวกดําเนินอย่างไรหรือพระองค์เองทรงดําเนินอย่างไรถ้าทรงสั่สงสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดําเนินนี่แหละได้ผลมาแล้ว น, นั้น ไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดจอดผ่อนผันให้เป็นความสะดวกสบายแก่สัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุก็สมงบำเพ็ญมาแล้วผลก็ทรงได้รับมาแล้วจึงต้องนํา วิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกมันต้องจะซ้ำลดลงไปโดยลำดับบริษัทสี่จะปลีกแยะไปจากนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นถึงงานที่เกี่ยวข้งของกับความเป็นอยู่อาศัย ทำนั้นทำนี้า็พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจําเป็นก็ทําเสียแล้วให้ทําความในใจไว้เสมอไม่เผลอตัวเคลินไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้ลาคาญนี่คือความคิดเิกการห่างเหินจากความเทียนไปในกิจการภายนอกอย่างนั้นจะเป็นการแก้ลาคาญได้อย่างไร ความลำคาญเป็นเรื่องของกิเล็กการแก้วความลำคานต้องชำนาจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทำอะไรอยากไปไหนต้องหักห้ามกันจึงเป็นทางตถอดถอนเป็นทางแก้ไขกันผู้จัดการดังเริ่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 ท่านดำเนินกันอย่างนั้นความคิดความนึกตรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวงังอยู่ในความมีสติมีปัญญาเขึ้นไก่กรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยถากรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสถูดลากพาให้คิดให้ตรุงไปการพูดการกระทำทุกสิ่ง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 มีความสงบสุขขึ้นไปโดยลำดับการทุกข์ยากลาบากด้วยการประกอบความเพียร น, นัาเราอยาถือมาเป็นอาาุปสรรคอยาถือเป็นข้อหนักใจสาหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสที่เป็นภัยอันสำคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจ มีทางนักการท่านเดินอย่างนั้นอย่างที่เคยได้พูดใด้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสาวกท่านประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลําบากมีจํานวนมากทีเดียวความที่จะบรรลุทำเป็นขั้นๆจนถึงขั้นทำมันสุดยอดในชาติาจะล้างมือเปิดและถือความลําบากลำบนในการประกอบความเพียร่าเป็นอุปสรรคแล้ว พอถอยด้อยทางความภาคเปลี่ยนไปเสียอย่างนั้นหาไม่เมื่อเราจะนจําสิ่มเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับส น, นุน<ม>ก็แสดงว่าเป็นการทําลายตัวเองและเป็นการทําลายวงสกุลของศาสนาซึ่งท่านพาดำเนินมาท่านสําเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความภาคเปลียน ท่านสำเร็จมาปุนิภานได้ความอุตสาห์พยายามด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู้คุณผู้บริบบเป็นความเพียรที่ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของประาชท่านที่เดินมาแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายในการดำเนินของจัดโลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่มี จะตรงแยกแยกให้ตัดโลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลําบากเหมือนพระองค์ลุงเหมือนนังสาวกทั้งหลายที่พาที่พระองค์พาดาเนินไปนั้นเลยจะต้องแยกแยกหาความสะดวกมันคตมันโคง้งกับพยายามหาทางลาดัดมันลําบากลําบนขรุขะและวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกให้โดยลําดับลำดั บ, บมันจะถึงขนาดที่ว่า อาหมอนมัดติดคอเลยพระองค์ก็จะสอนไม่ต้องลําบากอหมอนมัดติดคอเลยล้มที่ไหนให้หลับที่นั่นเป็นมักขุนมีทางที่ไห น, นไม่ต้องประกอบความภาพเย็นให้หลำ บ, บากข้างบนมี่แต่าคนเด็กพิจารณาค้นคว้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งแล้วจึงได้นํามาสอนทุกท่านทั้งหลายพระองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใด นอกจากมัชชิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี่ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชชิมาให้เป็นไปตามนั่นได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัชชิมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรางซึ่งากาันและกัน ให้อยู่ในเนื้อมือของมัจจิมาคันนั้นๆจำเป็นจะต้องทุ่มเทมัจจิมาคันนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการ ป, าปราบตรามที่เดชมิชิพายประจักษ์จิตใจโดยไม่ต้องลดนะท้อถอยนี่เรื่องเป็นอย่างนี้เขาให้พากันเข้าใจเอาไว้และให้ทำความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งยาศัก์แต่ว่าฟังเพื่อแล้วไม่ แนนอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักขี้ฝายอย่างนั้นไม่ใช่ผู้จะดำเนินเพื่อความพ้นทุกจะเกิดความท้อถอนในวันหนึ่งแน่นอนเราอย่เอเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพลินในรับความทุกข์ความลาบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการมำเพนในปัจจุบันซึ่งจะให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อ กิเลสที่มันนังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมุติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสนี้ท้าทายเราเต็มที่ฉุดลากเราจกระทาชจะถลอกปอกเปิบจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความกดความทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้า ท, ท่านทรงสอนว่าวิธีใดให้รีบหาศาสตรา ทำ ม, มาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันทีนี่คือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านําเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตถึนเป็นความลําบากผ่านมาแล้วถึงเราทํามาแล้วเดือดรำบากอย่างนั้นนั่นก็ายถึได้อะไรแล้วอนาคตเราก็จะต้องลําบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวางหนางไว้สำหรับกั้นทางเดินของตน จะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องเจาะจมอยู่ในปัจจุบันนะั้นจมตับเขาเรียกว่าจมปหลักหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนับกร์ทางนับตร์เรีว่าวิริยนันทุคมัจเจติการหลุดพ้นจากทุกนั้นต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญนี่เป็นธรรมยืนดัน ต่างนาต่างๆคุดปฏิบัติอย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานมัาจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไม่ ด, มดีสร้างความวุ่นวายส่ายแสความสงสัยเชิงเทยต่างๆให้แก่จิตใจของตน ซ, ซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังมักผลนิพพานของตนให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ ความชิดใดที่จะเป็นขา้าศิกต่อมักผลยิธรานให้พู้ทราบว่าความทิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่เหลี่ยมมากแหลมคมมากไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นะั่นฟังดีเรื่องความแง่งอนเรื่องความมีเล่ เ, ลเหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อน จนกระทั่งเราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแกเราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษพวกเราอยู่ในปัจจุบันนักิจแยังจะให้โทษเราต่อไปอีกไม่มีเวลาตั้งแต่จุดนี้ไม่มีความรู้รู้ได้เลยเพราะความแหลมคมผมเพราะความกรอมอันสนิทเพ่งกิเลสนี้ไพร่เพราะเพิ้งมากทีเดียว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 เนื้อสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทซึ่งจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมทัทธิมาปฏิปทานที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างจะเห็นความบเบาเบาใจของตนไปโดยลาดับ ด้วยความภาคเพียนที่หนักบ้างเบาบ้างกว่าตามถต่ถไม่มีความภาคเพียนจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นเลยก้าขาไม่ออกเดินจกกล ม, มก็ก้าไม่ออกจะกําหนดจิตนี้ถึงเหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วนอก แต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้ตปไม่ได้มีแต่กิเลสหนีบเอาบังคับออกบีบบี้สีไฟออกจนเลยหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับปีกันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเราควรนำมาพิจารณาเธทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์ แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมผือมีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ต่างไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็าต่างไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนถามีฐานะและคนจนขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้ง สามชั้นนี่แล้วคือกามาโกะโลกรูประโรกอรูปะโรกจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือเกลิศมีความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปหน้าสักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขคาสบาย ความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นจวาเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เก็บตายพิเดชเป็นผู้รักผู้ริ้นพิเดชเป็นผู้บังคับบัญชาบีบขัน้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วรางไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีมีตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการยิ่งเต่นควันขวายด้วย าการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบบกองทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทกกบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสำคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารายไห น, ไหนเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสำรบบานบันจขึ้นชีวกิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้ว ในหัวใจนั่นนั้นเมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียรจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอฟัดพอเหี่ยงกันทั้งนั้นเลยวมเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุข ก, กันอะไรบ้างโลกนี้เต็มเปื้อกกองถูกมินจะเอาเครื่องหลอก หลอกหลอกลวงลวงกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟไฟไม่แกรบมีคือไมมอย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจกล่องไมมออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางกิริยามายายผิวพันธุ์มันละก็ดีเหมือนถึงแสดงถึงความร้องห่มร้องไห้พิลายล้ำพันธุไปอกเสียใจกล่อง สมอยู่ภายในยใจิตใจแดงโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มีจํานวนมากไม่เว้นในชาติชั้นวันหน้าใดที่ไฟกล่องนี้จะไม่สมอยู่ภายในจิตใจได้เพราะพิเรกก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไห น, นการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้น เพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ในความเพียรนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจมกองรกอวิชีในมนุษย์โรกอย่างนี้แล้วกลับใดกันใดพบดดใดชาติใดหากาหนดกฎเจณฑมาได้คือหาความแน่นอนใน กำหนดที่เกิดในภพชาติ น, น, นั้นไม่ได้สุดวนแล้วตั้งแต่กองทุกกาหนดได้จําได้ไม่ได้ก็ตานเรื่องกองทุกทั้งหมดการประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้ออันให้เกิดไฟเ้ารนภานาจในจิตใจและเชื้อที่จะชักดวงหรือว่าลากเราไปเกิดในภพน้อยภพใอย่างนี้ภายใน จ, ใจิตใจนั้นได้จากที่เละประยุคลานี้ เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่ต้องช้าความเปลี่ยนพยายาหนักก็หนักเบาก็ยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชวนนักรบแล้วไม่มีถอยหลังเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกจนหลุดพ้นไปเสียจึง ได้ปล่อยวางทางความภักเพียรและะวว้วสวยมิมุติสุขทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่และิมุติสุขใ น, นพระมีผ่านเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือในช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ท่านเริ่มต้นจนมาท่านถึงแต่สรู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ก็ครู่เดียวนั้งแต่ ตามอำนาจวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันมีเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยู่แล้วดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบคือ่ประจักษ์ใจทำทั้งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเราเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งกนแนะนำสอนวิธีการดำเนิน ทังเรื่งบุญเรื่อบาปเรื่องวิเลตปัญหาอาสวะเรื่ อ, องอัดเรื่องทถมให้เราฟังทุกแง่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งพายในจิตใจด้วยความเชื่อความมุ่งหมยให้หนักลงไปเพื่อเป็นอุ ป, ปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามทังเราจะได้หนักหนาก้าเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลําดับจนกระทั่งถึงสันติธรรมมนลาบขาดด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามครู คือพระโพน์จักรคืนทรงสลอะถึงสามครั้งก่อนจะได้เป็นจักรดาขึ้นมานั่นละเอานั้นออามาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับเราอย่าหาเอาคนที่เกียจที่คล้านอ่อนเอมมาเป็นแบบเป็นฉบับจะกล้ายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมคะพิกษุกดู ไปกินไปหาความหมายไม่ได้ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจทั้งๆที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาใจแน่นออจังจะพึงประสบพบเห็นด้วยตนเองพากันตั้งหนา้าตักตาเพื่คุปฏิบัติการพิจารณ า, าผ่านภูใดถนัดในอาการใดในเบื้องตน้นการพิจารณา หรือการสมถะกรรมฐานมีความสะดวกเหมาะกับผลิตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วเพิ่มยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์วิจณาเกษากําหนดเกศาก็เกศ า, าโลมานขาทันตาแปตูถึงวาระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมหรือถนัด ในระยะต่อไปเป็นความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเจสาโลมานะาะทันตาตัดโจจนกระทั่งถึงอาการสารสองให้ตรวจสวดถึงซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายแล้วนี้<อ>ก็พิจรารณาให้มีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการพิจรารณา ที่เจะไม่เข้ามาแทรกแซงที่เ็ะจะไม่เข้ามาจุดลากถ้าสติยังเป็นผู้กากับอยู่กับความรู้ขื่อใจนั้นหมดเลยใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอนสองกล้องดูคำอิงที่มีอยู่ในร่างกายที่ทันวัตจะทำเวลาทำจะให้มีความสงบ ก็ตั้งหน้าตั้งตาทําให้มีสติอีูนั่นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี่ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรือบางแฉกสูงต่ําประการใด ออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ประวาติธาปหล อ, อกตงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนักปฏิบัติธาตุาจดต่อเข้าไปในจิตจริงๆจะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่องโลกเรื่องสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่ง แล้วก็ตื่นเงาตัวเองเทินประจำเงาเศร้าโศกประจำเงาตั ว, ง เ, งวเอ ง, เองดูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์คื่ อ, อวิชาต้นต้นเหตุอริชาปัจจยาสร้างข้าระมันหนุนกันออกมาเรื่อยๆให้ปรุงให้แต่งใหเกิดความสชืคมกังมั่นหมายอยู่เฉยเฉยอยู่โดดเดียวมีแต่ความรุม้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกํากลังของสติกําลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิจให้ปรุงให้แต่ง ไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้ขึ้นไปจากกใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาบถึงความยิงภารจิตดวงเดียวคืออะไรคิดดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัตจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยมีจิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็มันพึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อม มันผักดันออกมาให้คิดให้กลุงมันบอกอยูชัดๆท่านนีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั่นเป็นอารมณ์ถือนั่นเป็นจุดเป็นหมายถือนั่นเป็นเป้าหมายกําหนดสติลงที่จุดนั้นเอาถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปดูใช่มันเป็นยังไงแล้วมันจะมีเรื่องมีลาหลอกจะของไหม้าลงสติได้กํากับสติ ด, ด้วยดีแล้ว จิตจะปรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดแล้วแต่จิต ด, ดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันตรุงขึ้นมายอยู่เรื่อย ขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเรื่อยเพลินอยู่กับตุกตาของเล่นของเด็กภายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้เลยเพราะนี่เลยพูดตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆลหลายทิจนาหลานั้นหาจพิจารนาเกสาโลมาณขาพันตาตะโจตลอดอาการทั้งสองก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี้เท่านั้นอย่าเอาอากาศ ความรู้มีแยกไปตรงไปแต่งให้มีภาพ น, น, นั้นเรื่องนั้นหนึ่งนี้่กามาแทรกจนกระทั่งกบเกลือนหรือทําลายวัตถุที่เราพิจนนารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจนนารณานี่คือสูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่ที่เด็ดเครื่องยุ่ยวนควรใจทอนาวันไหนก็ไม่ได้เดือมเดอนมีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะกิเลสมันอำนาจมาก มันถุดมันลากมันผักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายแต่เราไม่อจุดหักเอาจึงเอาจั ง, เ อ, จงเอาความตั้งใจเข้าว่าอย่างมั่นเหมาะกันจริงๆจะไม่เห็นเรื่องของตัวเองแลยวก็จะตื่นเงามัาน่นหมายไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจต้องมีสติตเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลนในการปฏิบัติเภาวนาของตน ทันว่าสมาธิสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นของความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นนั่นเองทําไมสงบก็ล้วน เ, เอ็นเอียงไปที่หนวลทิ้งนะความเป็นตัวของตัวแม่ น, นมั้นแม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบทำมาสงบก็คือสงบความคิดความตรุงต่างๆซึ่งเคยยืดเยื้อวนกลนใจมาแต่ก่อนสงบตัวลงไป แล้วแต่ความรูอ้อันสงบแน่วนั่นก็สบายไม่มีอะไรกวนนั่นะจากนั้นวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาก็พึงพิจารณาดังที่กล่าวมานี้แยกแยกดูให้ดีจเจ้าข้างนอกมาเป็นปฏิภาคมาเป็นรูกะหานิมิตก็ได้ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายมันติดได้ทั้งนั้นแหละข้างนอกข้างในติดได้เป็นสมุ ท, ไทยได้นำมาพิเมื่อนำมาพิจารณา ให้เป็นมรคให้เป็นทางเดินให้เป็นธรรมทำไมจะเป็นไปไม่ได้แยกแยะออกไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตก็ดีหรือจะพิจารณาเรื่องอริยสุภาษุพังก็ดีดูมันมีตั้งแต่เรื่องอริยสุภาษุพังกองเต็มตัวตัดตัวบุคคลตัวเขาตัวเราไม่มีบกพร่องแม้แต่รายเดียวทําไมมันจึงไม่เห็นของจริงมีอยู่นั่นคือความจริง จิตใจเรามันปีนเปียวกับธรรมอยู่เสมอมันเร่งเยียดั้งแต่กขวากแต่หนามคือกิเลสทันหายกอหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนยดินๆน่นอนหาความสงบสงบไม่ได้เพราะจิตใจมันปีนเปียวกับความปีนคือธรรมถ้าจารณาให้เห็นตามที่ท่านสอนไว้่กังตเจสาลงมานะขาตันตาแตจมมันก็บอกทัดๆแล้วทะลกหนังออกมา ดูนี่เป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อถลอกหนังมาแล้วความสวย ข, ของงานมันปรากฏอยู่ที่ไหนมันจะมีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกต่นนั้นอก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึมอิมันถลอกออกมาแล้วเอาดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรแล้วดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุม ไม่อาการต่างๆจนกระทั่งถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพิษของปฏิพูลโศกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ ว, างงาว่าสวยว่างามมันน่ารักไพ่ชอบใจเนี่ยมันหาเรื่องหาเราเอาอย่างสดสดตอนร้อนเอาอย่างดื้อ ด, ด้านๆนี่หลือจิตนี่ฟาดกันลงไปมันเห็นเหตุหผลตัณฑ์นี่นี่ะคือความดื้อ ข, ของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่ เ, เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้ เกิดความทุกข์ความลาบากแก่จิตใจอยู่สมองไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่ภายกองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆแต่เพราะอย่างหญิงไฟราคาตันหาเพราความปินเตียวกับทำเคืออสุภาอาจุผังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองป่าช้ากองอจุภาอจุผังกองพระตกูลเต็มไปหมดตั้งแต่ท้องบนงบงลงเมืองหลักไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูหน้าชมบ้างเลยแม้เช่นนั้นมันก็ยัง เกิดสรสนได้ลงคออเป็นของสวยของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกำเริบไปตามในล็อกตัวเองเป็นเกิดความกำเริบนี่จะเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเท่นั้นนะไม่ใช่อะไรหลอกนะรูปเขากระสับเจอรูปมีอยู่ตามเจริงของหมั่นเราจะดูก็ต า, ามไม่ดูก็ต า, ามคิดแง่ใดไ ม, ไม่แง่ยไดก็ต า, ามเขาไม่มีความหมายสําหรั บ, บรูปอันนั้นไอ้ผู้นี้ผู้ไปเห็นนี่แหละ มันมาเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสําคัญมันหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสําคัญมันหมายของตนเครื่อนแต่ต่างแล้วผลที่มันปรากฏก็คือความทุกข์ความแน่นในหัว อ, อกถ้าจะเป็นแต่ตา่างนี่โทษแห่งความคิดความปรุงแห่งของมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นเรายัง ยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษคำนังบ้างหรือสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาใิสุดคัน้นลงปัดเข้าใจความจริงนีเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ่มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็น กระสของความสว่างสวายของความสงบของใจพ่อที่จะแสดงความอัธยาศิษย์ขึ้นมาโดยลําดับดัถึงกับต้องเป็นมะกุนผามขึ้นมานั้นได้เลยขอพ่อสิ่งสกโปกโสมมสิ่งเลวร้ยรายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันถูกคุ ม, มหุ่นห่อเสียอย่างมิตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วยสติแจ้งด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบก็ต้งบอก มันยุ่งบุ้นวุ่นวาเพราะอะไรเพราะมันหลงเมื่อเห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาตอนนั้นเดี๋ยวยุ่งกับอะไรดูอะไรมันก็อย่างว่าเห็นไหมกดยังปัญญาด้วยหวานลอ้อมจะหมดเห็นแล้วตามความจริงเดี๋มาหลงของตรองจิตมันก็หมุนตัวเข้ามาทสงอบเย็นอเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสําหรับผู้ปฏิบัติอายาันเข้าหลายครั้งหลายผลนเหมือนเขาคาบนาคาบก็จะหมุนคาบหมุนแผ่แลกละเอียดควรแต่การตัดดั่ นั่นแหละเป็นของสําคัญการพิจารณากี่เที่ยวกี่ครั้งกี่หนไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ความจํานี้ํานาญความคล่องแคล่วแจ้งกาทราบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณาว่าอย่างไรและเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ้งอย่างนั้นจริงจริงป่าสุภาของปฏิปูลโสภะก็ซึ้งถึงใจจะพูดถึงอนิจจังทุกขังด้อนัตตาเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงเราเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของตอมอะไร การพิจารณาพิจารณาอย่างนั้น ย, ย, ย, ยืนเดินนั่งนอนอย่าให้เถลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทําให้เถลอได้มาตามจิตตามการมาเกี่ยวข้องกันก็ดอาาอกออกีอย่ามาเลือกความเถลอเรือต่างๆอย่ามาเลือกความเผลอโซ่สาใส ความไม่มีสติสตังเป็นความไม่มีค่าภายในตัวความไม่มีความหมายในตัวในการมาของตัวในการพูดกันคิดการทาทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระทาให้เป็นสาระแก่จ้าของด้วยความมีสติรับยังรักษาตัวอยู่เสมออ่ะทุกก็ทุกยอมรับว่าทุกอ่ะตายก็ตายตายด้วยความเพียงเป็นไลน์ไป แม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลกแห่งความขื่ดตายของจักมันจะพ้นไปไหนได้ลนะ่ะมันตายด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดนอกจากเรหรือช้าต่างกันไปเล็กเล็กไม่ น, น, น้อยกันน้ะยนี่เราทุกข์เพราะความภัคเพียนเอาให้เห็นกินเห็นกรรมตามหลักธรรมมรรคคุณาเป็นความซช่าชองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนเออ มันปล่อยมันวางเข้ามาเป็นลําดับลําดับร่างเคยอธิบายให้ฟังแล้วอจิตก็ยิงมีความผ่องใสมีความคล่องแคล่วกล้าเบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุปาาทานข้างนอกก็ไม่ยึดข้างในกับพิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเป็นลําดับเตรียมอะไรข้งถึงต่อยถึงวางรูที่ว่ารูปกายกลายเป็นเราเป็นของเราาเป็นของสวยของงามพิจารณาแล้วมีแต่เนื้อแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูก พิจารณาปัลญามีแต่ของอรุภะอริยังเต็มทั้งหมดทั้งหลักเป็นเราได้ยังไงไรผูดพิจารณาหลายครั้งลหลายผลก็แจมแจ้งเข้าไปออกจากนั้นกพูดถึงเรื่องธาติก็ซึ้งพูดถึงเรื่องอรูปะอริยังก็ซึ้งเห็นชัดเจนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมไปสําคัำนั้นหมายมันก็ถอนตัวออกมาหนึก็เบาเบาเลื่อยเืย ลงได้ขนาดนั้นแล้วความเพียรไม่ต้องพูเลยที่ความขี้เกียจต่างหาหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากัน่ะอืไม่ต้องไปถูได้ใช้กันเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เรื่องคันเนิ่แมแหลกยังไม่เคยเห็นผลแล้วก็เหมือนเด็กทํางานนั่นผู้ใหญ่ต้องคอยกํากับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เถิดตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปทุลัอะไรนี้เด็กมันก็เลิกงานเพี้ยไม่ทําำก็หยอกเล่นกันไปเพี้ย พอไม่เห็นผลของงานแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทําเองอยู่คนเดียวก็ทําได้อยู่ของหมู่ของเพื่อนก็ทําได้ไม่ว่าทีใจที่รับใครจะมาควบคุมไม่ควบคุมไม่สําคัญพราะเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จมีผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเดิมแหลกก็ต้องถูต้องถ่ายต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันจะแสดงขึ้นทีใจเป็นผู้รับผม เมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูถบังคับปัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่ลำบากอยู่บ้าง อ, าอลรา ม, มาเขาทราบันแล้วจะว่ายไงขั้นต่อไปตากฏผลนะความรูษาพยายามมาหนักมาเองควาภาพเลียนกบมาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วที่มีหมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจ้ายหน้าไปหมดเดินจงกรม ไม่เคยคำนึงกับเวลาเวลาว่าเช้าสายบ่ายเยน็นมีตั้งแต่หมุนตัวติวต่วติ่อยู่กับที่เล็ดตัวไหนที่ยังไม่ชัด<ม>หน้าที่เล็ดตัวไหนยังไม่ชัดมันเกาะ อ, อยู่กับอะไรมันทําให้เสียบการจิตใจของเราอย่างนี้ค้นลงไปค้นลงไปจงกระทั่งทราบชัดแล้วถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนตอนเป็นพักพักเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยไป เข้าใจไงนั้นเข้าใจนี้อ้อเรื่อยอ้อเรื่อย ก, กำหนดพิจารณาเขาไเรื่อย ก, การกำหนดพิจารณาเขาคีอการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทําไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสที่การห้ามหันกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อตอทาภายในใจของหลานนั้นมันมีน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหน้าไปหมดเดินยังกลมไม่มีเวลาไม่เหลือ สักครู่เดียวปลาเขาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง่วงนยนั่งที่ไหนก็เผลนแต่การพิจารณาไม่มเีเวลาเหมือนการียาบททั้งสี่เล่นตลาดเพื่อทั้งนั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจากงานปุ๊บได้แต่จิตจับอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในคุนนั้นพี่ครออกดูไม่หยุดยางจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองปล่อยเอง การพยายาิจารณามันเป็นขั้นเป็นตอ น, น, นตอย่างนั้นแต่ยาอยามาคาดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้คาดพยายิชัยการท่านหมายไม่ถูกจะเป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันทีครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เราฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลา น, นี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ท่านสอนเราพยายามดําเนินไปพรอจิตของเรา ถึงความกินขั้นใดแล้วมันยอมรับกันรับกันเข้ากันได้ทันทีทันทีไปเดืยลำดับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนมาตั้งถึงคําขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านกันไม่ได้เลยหนั่ค้านปฏิมาจิตก็มีความเป็นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอโดยถูกทาง ไม่เป็นที่สงสัยมันก็นาแต่ค่าเยอะขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วก ว, ว่าโดยปกติของตัวที่ทําโดยลําพังเราเห็นโทษในการบําเพ็ญเพียรโดยลําพังมาแล้วคือเรื่อที่เจแกให้หนุ่มเพื่อนใจมาอย่านอนใจการที่จะแนะนําตัดเพืลอนสั่งสอนสื่อการะกรรมทางด้านจิตตภาวนาเ น, นี่ยจิตต้องสอนจิตเท่า น, านั้น เราจะประยกคัมภีร์นั้นมาสอนยกคมภีนี้มาสอนสาทุไม่ได้๋วประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งตู้ทั้งหีบมาทุม่มโดนไอ้คนไข้ไมาทราบเป็นไข้อะไรยาก็มาทราบยาต่ออะไรต่ออะไรท่มก็ลงไปมันก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีทําให้คนไข้ตายเรื่อยๆไปนะความรู้สุมสีุ่มห้าในการปฏิบัตินี้จะมาสอนผู้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิมุ่งตนโดยลาดับแบบนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ลง ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลําดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลําดับนั่นเป็นความรู้คักเป็นการรู้คํามผิดผู้มาสอนสมาธิจเจ้าแบบเอาตำหรับตํารามาสอนมันไม่ได้ผ่านเอาปัญญาตามตำหลับตำลามมาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็นสสมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั่นมาก่อนจิตตนไม่เคยเป็น ปัญญาขนาดนั้นมาก่อนเน้วจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากดเข้าเกณฑไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสำคัญอยู่มากเมือตางมีความกินรับกันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความกินขึ้นเห็นแล้รู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแก้ปั๊บป๊ป๊ ป, ป, ปไปเลยมเขีนไปล้วไ่ห กรรมฐานจริงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยเนะนำให้ขั้งพุตธการก็สาวกมาต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกจิตลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตธรรมนามาแล้วอย่างสมูน้เป็นผู้คร่ำสอนใลระดับถ่ายทอดมาเรื่อยจนกราทั่งถึงปัจจุบันนี้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 ที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาพอย่ยงนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นอืเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นผูกอะอตายก็ตา่างไม่ท้อถอยแล้ว เ, เราจะเห็นแดนแห่งหนองออดอยู่อ้อนี่หรือที่ท่านวาดังนั้นอั่างนั้ น, น, นที่ท่านวาดทำประเภทนั้นทำประเทศทประเภ ท, เท้ากตมันนี่หรืออ้อนี่เหรอหนักดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทธร นั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่า อ, อ้ออนี่เลยน้อง อ, อ้อนั่นนี่แหละน้อง อ, อ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือว่จะมีแต่ความบริสุทธิ์ด้วนโลวก็ตั้งแต่ขณะนั้นก็คือว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลขณะน้องอ้อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความออนกลิ่นอ่อกลั่ เราอยู่ที่ไหนเวลานี้โทุก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและติตใจสมุทัยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเสียดทั้งโกรธเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดอคิดในแง่ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มีเป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผิดตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนประกอบ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 ขิ้นไปแล้วสัจจะคำว่าสัจจิกาตะันติเมียพเครวีสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงทาให้แจ้งสัจจิกาตันติเมียพิเครวเราได้ทำให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจลหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจจะทรรม อันใดจะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุปติ<ม>ทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือ<ม>เรียกว่าทุกทางใจดับโดยสิ้นเชิงเพราะสมุทัยดับไปด้วยอานาจของมัน ม, มโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคทหารกิเ็สขาดไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไป เหลือตั้งแต่ทุกภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกประจําขันเท่านั้นทุกภายในใจไม่มีเพราะสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกประเภทนี่ไม่มคําว่ามาั่งมั้ที่เคยใช้ใช้เฉพาะข่าที่เลวเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วคําว่ามั่งท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่ียกบวามาั่งเสียแล้วบรรดาพระสารทั้งหลายท่านเรียก ท่านไม่สำคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งทั้งหมดนอกจากความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโยดพึงอบรมให้มากก่อได้อบรมให้มากเต็มเต็มที่แล้วเพราะมรอบรมให้มากก่อดีอบรมเต็มที่แล้วมิโรดที่ทำให้แจ้งก่อนทำให้แจ้งประจักษ์แล้ว ผู้ที่รู้ว่าทุกจงไทยนิโรธมากได้ทางานโดยสมบูรณ์แล้วหมดหน้าที่ของตนไปแล้วนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแ่ะคือผู้บริสุทธิผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่เจเลศกับมรรคเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่ง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 ทำเพลิจิตใจเพื่อพักผ่อนถอนใจระหว่างขันธ์กระติกให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแต่เพราะฉะนั้นบรรดาพระอหันตทั้งหลายนับแต่วรยเจ้ามาจึงประกอบความภาพเพียนดังที่ปรากฏในสนับตำาอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุไข่แต่ไม่ได้ประกอบความภาพเพียนเพื่อละที่เหล็กถอดถอนเกลียดตัวใด เป็นเพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่ครองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสมบุกสมบูรณ์จะมาสร้งถึงอายุไขเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพระ ศ, า ศ, าศาัิสนางานถอดถอนยุเรศเป็น ง, งานที่เสร็จสิ้นลงได้เงานทางโลกหาความสิ้นสุดไม่ได้ตายก็ตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงใยไม่มีใครทํางานสําเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใคร จะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการตอบถอนีิเดกให้สิ่งสุดตรงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาละอยู่ไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้วอาละการตอบเปนนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายหลวครับ